ไปจะได้พูดธรรมะสู่ฟังธรรมะธรรมังสอนของพระพุทธเจ้าเป็นสมบัติของมนุษย์ทั่วไปจะเป็นชาติไหนภาษาไหนก็ตามพูดตั้งหน้าตั้งตาอยากจะษาหาความสุข ตายสุดใจมีสิทที่จะจะปฏิบัติตามได้ทั่วไปไม่เป็นกรรมสิทธิ์ของบุคคลผู้ใดเป็นกรรมสิทธิ์ทั่วไปสำหรับบุคคลที่ตองตามธรรมะเกิด น, นั้นเราทุกท่านที่เกิดมาเป็นมนุษบบธธรรย์พบพระพุทธศาสนา ถ้าหากจะพูดแล้วก็เป็นโชคลาภของพวกเราอย่างยิ่งเพราะการเกิดขึ้นสิ่งธรรมะธรรมสต่งสอนของพระพุทธเจ้านั้นเป็นของยากลาบากอย่างยิ่งพระพุทธเจ้าจะเกิดขึ้นอุบัติขึ้นในโลกแต่ละองค์ละองค์เป็นของยากแสนยากและก็ไม่มีการอุบัติติดต่อกัน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 ภพพุทธศาสนาถึงแม้ว่าถ้าองค์จะปรินิพพานนานไปขนาดนี้ความคาตัางสอนของพระ อ, องค์ก็ยังคงอยู่ให้พวกเราได้ตั้งหน้าต่างตาศึกษาและปฏิบัติปฏิบัติตามแต่การศึกษาธรรมะศึกษาตามําหรับตาราดโดยในต่างหน้าประพฤติปฏิบัติยินดง ธรรมะนั้นก็ได้เพียงพันสัญญาคือจดจำเท่านั้นจะเข้าไปถึงจิตถึงใจจริงจั ง, จ ง, จงยากเหตุนั้นวันนี้ที่พวกเราได้ไปกราบไปไหว้ครูบาอาจารย์ที่ทำกงเทนหรือน้องแซงอาจารย์ทั้งสององค์นี้เป็นอาจารย์ที่หายากจิสุสามเณ น, นมีมากในประเทศไทยแต่จะ หาผู้ที่มีคุณนธทําทอย่างครูบาอาจารย์ที่พวกเราไปกราบไปไหว้เหมือนอย่างวันนี้หายาหมื่นองค์แสนองค์จะมียังองค์สององเท่านั้นเกิด น, นั้นพวกเราที่ใดไปไปศพพบเห็นท่านไปกราบไปไหว้ท่านจึงรับว่าเป็นมงคลแก่ตนของตน ซึ่งสมกับมงคลที่ทันว่าสมานานั้นจะทัดนนังคือการที่พวกเราได้เห็นสมณนะผู้ระงับดับกิเลสได้เป็นมงคลแก่ตนท่องตนบุคคลที่ไปเห็นเกิดความเชื่อความเลื่อมใสมีความพอใจในการเห็นทองตนในการฝ่าการว่ายทองตนบุคคลนั้นจะมีตาสว่างสวย เพราะได้เห็นท่านผู้ดีวิเศษและจะมีใจสว่างสวยเมื่อระลึกนึกได้ถึงการฝากการ่ายหรือการได้ดูได้เห็นท่านจิตใจของเราจะเยือกเย็นเพราะเห็นท่านที่เยือกเย็นเป็นสุขเกิด น, นั้นวันนี้จึงเป็นมงคลอันประเสริฐสำหรับพวกเราที่ได้ไปตาบไปว่าไปพบปะเห็นท่าน ยิงควรปลื้มอกปลื้มใจในการไปดูไปเห็นของส น, นบุคคลที่จะไปดูไปเห็นมีความเชื่อความเลือ่อมใสความพอใจอยากไปกลาวไปว่าหายานต่ละคนเข้าไปวัดไปว่าจะไปหาครูบาอาจารย์หรือไปดูการพฤติปฏิบัติของท่านหรือไปฟังทำคําสั่งสอนที่ท่าน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 หากกันก็คงจะเขาจะยากอีกเหมือนกันวันนี้ท่านอาจารย์พทมท่านแนะนำํำทำสอนถึงปฏิปทาการประบัติปฏิบัติของท่านเนื้อความอยู่เป็นสุขของท่านท่านเล่ามาแต่ท่านเป็นเด็กจนกระทั่งเข้ามาบวชเมื่อบวชแล้วอุตส่าห์ข ย, ยามตัางหน้าต่างตาเรื่อยๆแสวงหาที่ประกอบ ความผาดความเพียนท่านว่าแต่อายุยังหนุ่มยังอ่อนไปแต่ถานที่ใดก็พอไปได้สะดวกกายสบายใจแต่โรคไัยเดียดเดียนมาแต่ไหนแต่ไรแต่ยังเป็นเด็กเป็นเล็กต่โรคไัยเดียดเดียนมาท่านมาบวชแล้วออกเดินธุ ด, ดงค์จะมาฐานท่านว่าท่านเป็นโลกนี่งมีความเจ็บปวดแต่ก่อนไม่มีรถ ไปสถานที่ใดจะต้องเดินไปในนี้รถนั่นบางข้างบางหนโลกนี้หนึ่งมันรบ ก, กวนไปปัว่าะนี่ไปเลือดออกมาแดงหมดท่านว่าใจหักไปแล้วก็สอนตัวว่ากลัวตายเพียงแค่นี้ยังไม่พอยังเลือดมันออกขนาดนี้มันยังเพิดยังเชินยัง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 แต่ที่ท่านไปจำไปจําที่ก็คือไปทําำบงเพเนี่ยไม่กี่ปีมาที่ท่านอยู่เป็นที่พออายุท่านแก่ท่านอุตส่าห์พยายามแต่ทาคุณงามความดีอย่างจริงอย่างจังอาจารย์องค์นี้อาจรแนะนําทำสอนด้วยปากไม่ค่อยมากเหมือนอาจารย์องค์อีกแต่ท่านสอนพวกเราด้วยการแต่ทำเท่าขนาดนี้แกขนาดนี้เนี่ยเดินจงกรม บางคืนตลอดทีนั่งภาวนาสวดมนต์ไหว้พระสามสี่ชั่วโมงก็ไม่หยุดอุตสาพยายามทำจริงจงจังๆเป็นหน้าอาศจรรย์ที่ท่านอุสาหแนะนำทางกายของขท่านชักจูงลูกติดลูกหาที่ไปชักพาอาศัยทาหยุดทําใจของข้งท่านให้แข็งแรงไม่อ่อนแอ ทำอะไรทำจริงๆกิงจังการพูดธรรมะธรรมโอธาหัดลูกศิษยลูกหาขัดข้องในการภาวนาทางจิตทางใจท่านก็บอกท่านก็สอนแต่จะให้ท่านสอนเรื่อยๆไปอย่างอาจารย์องค์อื่นท่านไม่คอยสอนทางาขัดข้องทางจิตทางใจท่านต้องสอนท่านเป็นอย่างนีปฏิปทาของท่านถือการปฏิบัติเป็นของสําคัญ การสอนท่านเลยฝ่อยผู้หลักแน่นสักเท่าไรแต่ท่านก็ไม่ขาดวันพระทุกวันพระไปท่านจะต้องมาประชุมกับหมู่กับคณะถ้าท่านลุกเดินได้ท่านต้องมาหรือป่วยออดแอขนาดพอมาไดา้บางทีก็นั่งรถมามาประชุมกับหมู่นั่งฟังเทศฟังธรรมโดยส่วนใหญ่ก่อนให้พระหลูกวัดเทศเมื่อท่านเทศ ไปข่องจิตติตใจของท่านในธรรมบทใดที่อธิบายไปพอพระลูกวัดลงจากท่า น, นมาไปเท่านั้นท่านก็เอืยอธรรมะขึ้นต่อสอนปกิจุสามเณรอุบาสกอุบาสิกาท่ า, า, น, า, า, าทนไม่เคยขาดในการประชุมเป็นอย่างนี้ท่านเป็นผู้ดีที่ศษหน่าบูชา ถึงอายุแกขนาดนั้นก็ยังนำพวกเราที่เป็นนักปฏิบัติได้กราบได้ว่าอุตส่าห์อยู่ในสถานที่กันดาพื่ออยู่เขาท่านไม่อยู่ตามบ้านตามช่องบุคคลที่นิมนต์ท่านเข้าไปบ้านใ้ช่องท่านไม่ค่อยเข้าไปเหมือนองค์อืน่น ชอบอยู่ตามป่าตามเขาแต่ไหนแต่ไรมาเรียกว่าท่านวางสติปทาให้พวกเราที่เป็นจิตญาณุกิหรือเอาแบบอย่างของท่านการอยู่ป่าการตั้งหนา้าตั้งตาภาวนาอย่างท่านอาจารย์เกียจออกเสื่อมานี้เป็นของยากโดยส่วนมากไปสิดสุขเรื่องอานิเสียยพอราสะการะเกิดขึ้น ลืมมีผู้นับหน้าทิ้ตาก็เลยลืมการภาวนาการเข้าป่าเข้าดงหรือว่าการเข้าป่าเข้าดงการเดินจงกรมภาวนาการมีเวลาเป็นของข้องสนไม่เป็นของสำคัญมมกอยากเป็นไปอย่างนั้นเหตุนั้นถ้าสี่ว่าสมณนะก็มีหลายพักหลายพวกหลายหมู่หลายเราเราจะเห็นด้วยตาเนื้อของเรา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 เอาไว้ทางสั่วช้าลามกจะต้องโผล่ออกมาให้คนอื่นเขาเห็นเป็นที่ไม่ชอบอกติดใจของปู่ไปร่วมคนชนิดนี้หรือที่สู่ชนิดนี้เคยมีมากเพราะไปพบกันใหม่ๆก็ทำศิลิยาถ่าีดีงามทุกสิ่งทุกอย่างไปแต่พบกันนานเข้าศิลิ์ยามายยาดเหล่านั้นหายไปหมด เอาศินิยาของเดิมที่เขาเคยมีอยู่ในใจออกมาชักพบกันไปไม่นานวันจืดจางอย่างภาษาสมัยใหม่เขาว่าถักสี่รยห น, <c oughs> น้าหรือหน้าหลังลงลักพักติดทองที่เขาว่าเป็นแบบนั้นแต่ท่านอาจารย์ที่เราไปตาบไปไหว่ไม่เป็นอย่างนั้นจะ ไปอยู่กับท่านนานไปเท่าไรยิ่งมีความเชื่อความเลื่อมใสความภารกในท่านเรื่อยไปเพราะท่านประพฤติดีประพฤติชอบเสมอต้นเสมอปลายไม่หน้าอาไม่หลังหลอกแม้ว่ะท่านเป็นคนตรงไปตรงมาอย่างนั้นเหตุนั้นการที่เราท่านทั้งหลายได้ไปกราบไปไหว้ไปดูไปเห็น ซึ่งเป็นสมานานั่นจกทัดนหังคือเป็นมงคลแก่พวกเราที่ได้ไปดูไปเห็นไปฝ่าไปว่าแต่มงคลที่ว่าสมานานั่นจะทัดนหังการเห็นสมณะเป็นมงคลอย่างยิ่งสมณะเหล่านี้ก็ทําคุณงามความดีคือให้เราระลึกนึกถึงเกิดความเชื่อความเหลื่มใสความเยือกเย็ยนจิตใจแต่จะป้องกันอบายภูมิ ทั้งสี่ไม่ได้เพราะเหตุใดเพราะสมณะภายนอกสมณะภายในคือการเห็นความสงบระงับดับจากที่เรืตัณหาจากมานะชิฐิซึ่งมีอยู่ในตัวของพวกเรานี้แหละเป็นสมณะสำคัญบุคคลผู้ใดได้ตั้งหน้าตั้งตาประพฤติปฏิบัติเห็นสมณะภายในคือจิตใจท่องตน ร, งรวมรวม มีความสว่างสวยมีความสงบจากเรียนจากภัยต่างๆสมณะอันนั้นผู้ใดได้ครบคาสมาคมผู้ใด ด, ด้เห็นโดยตนของตนในการ ป, รปฏิบัติเป็นมงคลอันสูงสุดไม่มีมงคลใดจะเจียบถึงได้พอเห็นสมณะภายในเท่านั้นจะป้องกันอบายภูมิทั้งสี่ได้ มีความเชื่อความเลื่อมใสความพอใจเกิดศรทัทธาภาษาทะเกิดมิริยะความภาคความเพียรขึ้นเพราะสมณะภายในเป็นสมณะที่น่าเชื่อน่าเลื่อมใสน่ากราบน่าวาดหาบุคคลในโลกจะเสมอสมณะภายในคือใจของเราสงบระงับดับจากความ ลงแต่งไม่ได้เหตุนั้นเราทุกท่านสมณะภายในมีด้วยกันทั่วไปแต่เธอว่าเราจะประสบพบเห็นสมณะภายในก็ด้วยการตั้ง อ, อกตั้งใจปราพปฏิบัติถ้าหากไม่ปรพปฏิบัติก็ไม่มีวันมีเวลาที่จะเข้าไปหาสมณะอย่างนั้นได้ เหตุนั้นการตั้งหน้าตั้งตาประพฤติธปฏิบัติของพวกเราทั้งหลายจึงสมควรอย่างยิ่งที่พวกเราจะตั้งหน้าตั้งตาประพฤติธปฏิบัติให้เห็นสมณะคือความสงบระงับดับกิเลสภายในตัวของตัวไม่ควรจะอ้างการอ้างเวลาหรือไม่ควรจะไปโยนความดีไปไว้ข้างหน้าตั้งหน้าตั้งตาประพฤติธปฏิบัติ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 จะไปในใสถานที่ใดถ้าหากมีสมณะคือความส ง, งบระงับดับบาปภายในจิตในใจของตนจะมีความเยือกเย็นเป็นสุขมีสะนะัณะมีที่พึ่งแก่ตนของตนจะล่มหายตายไปการใดสมุไหมใดไม่มีความเสียอกเสียใจว่าวันเวลาที่เราล่มหายตายไปนี้เรายังห่วงคุณงามความดีข้างหน้าเพราะสมณะ คือความรับดับกิเลสของเรามีแล้วจะไปสถานที่ใดจะตายการใดสมัยใดจะเป็นเด็กเป็นเล็กเป็นหนุ่มเป็นสาวอยู่กี่ต่างคุณงามความดีที่เราประสบพบเห็นที่เราก็ะพฤตปฏิบัติได้หมดปัญหาในการไปการอยู่เพราะเราจะอยู่ไปตั้งร้อยปีพันปีหมื่นปีแสนปีกี่ต่างคุณงามความดีที่จะลิเศษไปเสริมขึ้นกว่านี้ไม่มีอีก จะอยู่ไปก็ลำบากในธาตุในขันเพราะธาตุขันอันนี้เกิดขึ้นมาแล้วจะต้องได้รับภาระหน้าที่ดูแลรักษามันแต่ธาตุขันอันนี้ถ้าหากเราตั้งหน้าตั้งตาประพฤติปฏิบัติรู้จักธาตุขันจริงจังจนจิต ใ, ใจอย่างทราบถึงความบริสุทธิ์ที่หลุดไปจากธาตุขันหรือเป็นวิวัตตะ รูปไปจากชาัดเจนเห็นแจ้งในตนแล้วธาตุขันจะแตกสลายทำลายใปเมือ่อใดไม่มีการเสียใจคนเราร้องให้เสียใจก็เพราะเห็นว่าถ้าหากอยู่ไปนมนานเราจะได้ทำการปฏิพฤตปฏิบัติได้รับคุณงามความดีเทวีคูณขึ้นถ้าหากบุคคลผู้ใดตั้งหน้าตั้งตาปฏิพฤตปฏิบัติจิตใจของท่านลุดพ้นใจจากความห่วงใยอะไร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 กำลังจะรับอาหารมีคนอื่นชุบเราไปดึงเราไปจากภาชนะอาหารเราก็เสียใจแต่ถ้าหากาเราอาหารนั้นเรารับประทานอิม่มหนำํำรานแล้วมีคนยกออกไปจากหน้าจากตาของเราเราปรับดีใจเพราะเขาจะไปเก็บภาชนะนั้นให้แกเราเราไม่มีการเสียใจ ฉันใดก็ดีอัตภาพร่างกายของพวกเราทั้งหลายไม่ว่าหญิงบาชายถ้าหากตั้งหน้าตั้งตาประพฤติปฏิบัติกำจัดกิเลสตัณหาออกจากตนไดน้จนถึงความบริสุทธิ์ลิมบทิพานแล้วการเสีย อ, อกเสียใจในการอยู่การไปของท่านหนีเหตุนี้จึงขอเชิญพวกท่านทุกคนตั้งหน้าฝึกฝนอบรมจิตของตน ปฏิบัติกําจัดความทั่วออกจากตัวของตัวจนไม่ติดในความดีและความทั่วซึ่งเรียกว่าวัตตะยิตพ้นไปจากกิเลสตัณหามานะนิชิติมีความสงบระงับมีความถุกความสบายซึ่งเรียกว่าสมณะภายในมีอยู่ประจําจตัวของตัวอย่างนั้น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 เกิขึ้นมาเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนาอุตส่าห์พยายามจะทำตามโอวาทของพระพุทธทเจ้าจนถึงที่สุดสิมุตินิพานแล้วไม่มีการเสียมสลายไม่มีอะไรที่เราจะปราถนาอีกต่อไปบ่าอยู่ไปจะมีความสุขหรือได้ความสุขอย่างนั้นอย่างไม่มีในจิตในใจของท่านเพราะความสุขนั้นนั้นได้ประจักษ์ชัดเจนเห็นแก้ง ขึ้นจากการระพืดปฏิบัติของตนเหตุนั้นจึงไม่มีการเสีย อ, อกเสียใจในการเกิดการเป็นอยู่และการดับไปของท่านเหตุนั้นเรื่องพวกเราทั้งหลายที่จะเข้าไปถึงได้ก็อุตสาหพยายามตั้งกายตั้งใจระพืดปฏิบัติไปกำจัดที่เละตันหาทีนิดทีหน่อยทีเล็กที น, น้อยอุตสาหพยายามกำจัดไม่หยุดไม่ถอยผลที่สุด ก็หลุดไปจากีิเดนต์ตันหาน่าท่นานอาจารย์ใหญ่ทากองเพลวันนี้ท่านพูดถึงภาษาเชียงใหม่ที่เขว่าสนใสเมื่อมาอาศัยเมื่อทีแรกน้อยๆ อ, อยู่ก็มาอาศัยเมื่อใหญ่มาก็่าเขาตาธรรมดาตน้โตนโพต้นใสเป็นอย่างนั้นจะ ต, ต้องอาศัยต้นไม้อื่นเกิดขึ้นบางทีนก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 ก่อเติบโตและฆ่าตนอื่นให้ตายการต่อพืชตายต่อพืชใจของเราความให้ต่อพืชอย่างนั้นอาศัยกิเลสปัญหามานะทิชกีนี่แหละเป็นที่เกิดแต่เราก็กําจัดเรื่องกิเลสปัญหามานะทิชกี้ไปทุกสร้างทุกทีผลที่สุดจิตใจของเราถึงมีมดกิเลสปัญหากว่าตายไปเอง ความบริสุทธิ์ก็ตั้งโดอยู่ได้ถ้าหากเราประพฤติปฏิบัติอย่างสนโคสนใสเราจะมีใจดีเด่นคนที่ไม่มีเดตนาคนที่ไม่มีราคะภายในจิตในใจอาจารย์ใหญ่ทัดเจงพูดวันนี้คนที่เกิดมาไม่มีอวั ย, ยะวะบริสุทธิ์แข่งผาด้วนเสียหายหูตาบอดหรือตึงไส ทางซาลีในท่านห้าไม่ให้บวชคนที่มีอวัยวะบริบูรณ์ทุกสิ่นทุกส่วน ท, ทั้งเหลี่ยตัญหามานาัทิพิก่อเต็มที่เต็มฐานคนนั้นแหละพระพุทธเจ้าอนุญาตให้บวชเพราะคนชนิดนั้นจะได้ํำระเรื่องความสั่วช้าลาโมที่เขามีอยู่ในจิตในใจของเขาให้ถึงความบริสุทธิ์เหตุนั้นการบวชในพระพุทธศาสนาะ คนเป็นบันดาะหรือคนเป็นแก่เอยหรือคนถูกตอนท่านจึงห้ามไม่ให้บวชในพระพุทธศาสนาส่วนผู้ที่มีวิเลตันหาราะโศะโมหะเต็มเตี่ยมอยู่ในจิตในใจท่านอนุญาตให้บวชเพราะจะได้ชำระสะสางส่วนนี้ยิ่งใจเห็นผลคุณงามความดีได้ถ้าหา บกช่องส่วนใดส่วนหนึ่งทางพารินัยก็ไม่อนุ ญ, ญาตให้บวชเป็นอย่างนั้นนี่เราท่านก็มีชอบพอบริบูรณ์ทุกสิ่งทุกส่วนเรื่องของกิเลสตัณหามานะทิฏฐิหรือก็เต็มที่เต็มฐานส่วนร่างกายของเราก็สมบูรณ์ทุกสิ่งทุกประการไปเหตุนั้นเราจึงตั้งใจจะทำบำเพ็ญเหมือนกันกับเรามีที่สวน สมบูรณ์ดีอยู่แล้วเราจะปลูกอะไรฝังอะไรลงไปก็ปลูกได้ฝังได้ถ้าหากเราไม่มีที่อยากจะปลูกกับเขาก็ปลูกไม่ได้นี่เรามีกายมีใจและธรรมดีในซึ่งพระพุทธเจา้าทรงอนุมัติให้ประพฤติธปฏิบัติคงมีอยู่เราชอบอยากจะไปสถานที่ใดเราก็พึงตั้งใจประพฤติธปฏิบัติให้ถึงเหตุถึงผลถึงที่ถึงฐาน อย่าไปเป็นคนลังเลสงสัยว่าเราเป็นคนมีบุญน้อยวาสนาน้อยประพฤติปฏิบัติไม่เป็นไม่ไปอย่าไปสงสัยอย่างนั้นถ้าหาประพฤติปฏิบัติจริงๆจังจังจะไปได้ถึงขี่ถึงฐานได้พระพุทธเจ้าและสาวกของพระองค์ท่านมีอะไรแตกต่างจากกันกับพวกเราพูดถึงวัยวะทุกข์ขึ้นทุกส่วน ก็เหมือนกันกับพวกเราแต่เตีใดายยายเล่าท่านจึงประพฤติปฏิบัติตัวของท่านให้บริสุทธิ์ได้เราทําไมจึงจะเป็นคนอาพาธศาสนาต่างแต่ตัวของเราคนเดียวการที่เราเหมาตัวว่าไล่วาสนาเป็นคนบุญน้อยวาสนาน้อยทําให้จิตใจของเราย่อหย่อนไม่สามารถจะประพฤติปฏิบัติถ้าหากระลึกนึกว่าเราก็คนคนหนึ่ง ถ้าบุญวาสนาไม่มีไม่ได้เกิดขึ้นมาเป็นมนุษย์ไม่ได้พบพระพุทธศาสนาอันนี้วาสนาของเราสมบูรณ์คุณสุขดีแล้วเราจึงได้เกิดขึ้นมาเป็นมนุษย์พรพระพุทธศาสนาและมีศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสในธรรมคาสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเราไม่สามารถไปเล่าเขาจะสามารถเราต้องระลึกเลิกิ้อย่างนั้น แล้วก็ตั้งหน้าตั้งตาทากันจริงๆงจังๆการถึงพระพุทธ้ศาสนาอย่าไปถือเอาเพียงผิวเผินใครถือจริงจริงจังๆังทำจริงจริงจังจังจึงจะเห็นผลเกิดขึ้นภายในตนของตนไม่อย่างนั้นก็จะเป็นคนอาภัพวาสนาเพราะเหตุบ้างถึงจะมีไร่มีนามีเรียดนีสวนอยู่ก็ไม่ปลูกฝังเกิดผลอะไร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 ไม่ใช่สัตบุรุษเหตุนั้นการประพฤติปฏิบัติธรรมจึงเป็นของสําคัญหมู่พวกเป็นของสําคัญอันหนึ่งสถานที่เป็นของสําคัญอันหนึ่งอาหารการบริโภคเป็นของสําคัญอันหนึ่งอาลิปปาอาจาเป็นของสําคัญอันหนึ่งพระพุทธเจ้าท่านจึงว่าสัพายะสัพไยะทหารพักพวกที่เราอยู่ร่วมกันเขาไม่ตั้งหน้าตั้งตาประพฤติปฏิบัติอะไร เราจะทำลงไปเียงเราคนเดียวก่อละอายเขาหรือไม่อย่างนั้นเราจะไม่สามารถจะทำเอาเลยเขาูคุยอะไรเราควรจะต้องคุยไปตามเรื่องของเขาเหษนั้นทัพพวกเพื่อนฝูงจึงเป็นของสําคัญหากมีหมู่มีคณะทัพพวกต่างหน้าต่างๆประกอบคุณงามความดีขากเพียนพยายาม จะทําตามโอวาทของพระพุทธเจา้าอยู่สม่ําเสมอไปเราไปอาศัยเราไปอยู่ในสถานที่นั้นเราจะนอนขบนอนขันอยู่ตั้งแต่เราคนเดียวโดยไม่เกี่ยวข้องกับข้อวัดปฏิบัติไม่เดินจงกมรมภาวนาเราก่อละอายเขาจําเจนเราต้องทําตามเขาเหตุนั้นทัศพวกเพื่อนฝูงจึงเป็นของสําคัญถ้าหาไม่อย่างนั้นก็อยู่กับเขาไม่ได้ พวกขี้เหล่าก็มีขี่เล่าน่ะเป็นพักพวกของเขาพวกขี้กินขี่ยากกันตาก็เหมือนกันพืชผลอะไรจะไปตำหนิโทษเอาว่าไรมาเหลียดสวนท้องตนไม่เกิดพืชเกิดผลก็ไม่ไดาเพราะเราไม่ปลูกฝังพืชผลลงไปเพืชผลก็ย่อไม่เกิดดอกออกผลให้นี่เรามีตายมีใจถ้าหาเราไม่ตั้งหน้าตั้งตาประพฤติปฏิบัติก็เป็นเช่นนั้นเหตุนั้น ตจงพากันตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติตามคำคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าอย่าไปเหมาตัวว่าเป็นคนอาภัพบาศนะไปตีจนตายก่อนใครไม่ใช่สาธุเขื่อนนั้นการปฏิบัติทำจริงจนของสำคัญหมู่ควกเป็นของสำคัญอันหนึ่งสถานที่เป็นของสำคัญอันหนึ่งอาหารการบริโภคเป็นของสำคัญอันหนึ่งอาเรียนปาอาจ่าเป็นของสำคัญอันหนึ่ง พระพทธพระเจ้าท่านจึงว่าสัตปายะสัตปายะ้าหาพักพวกที่เราอยู่ร่วมกันเขาไม่ตั้งหน้าต่งตางๆประพฤติปฏิบัติอะไรเราจะทำลงไปเียงเราคนเดียวก่อละอายเขาหรือไม่อย่างนั้นเราจะไม่สามารถจะทำเอาเลยเขาผู้คุยอะไรเราควรจะต้องผู้คุยไปตามเหล่องของเขาเกิดนั้นพักพวก เพื่อนถึงจิงเด็นของสำคัญหากมีหมู่มีคณะพรรพวกต่างหน้าต่งางตาประกอบคุณงามความดีภากเทียนพยายามจะทำตามโอวาทของพระพุทธเจ้าอยู่สม่ำเสมอไปเราไปอาศัยเราไปอยู่ในสถานที่นั้นเราจะนอนขบนอนสันหรูอตั้งแต่เราคนเดียวโดยไม่เกี่ยวข้องกับข้อวัดปฏิบัติไม่เดินจงกมรมภาวนาเราก่อละอายเขา จำเช็นเราต้องทําตามเขาเหตุนั้นพักพวกเพื่อนฝูงจึงเป็นของสาคัญถ้าหากไม่อย่างนั้นก็อยู่กับเขาไม่ได้พวกที่เล่าก็มีที่เล่าเนปะ็นพักพวกของเขาพวกที่สินที่ยากันตาก็เหมือนกันพวกนักปราชญ์ก็มีนักปราชญ์เหมือนกันเหตุนั้นลูกศิษยลูกหาหรือทูบาอาจารย์องค์ใดที่ท่านตั้งหน้าตั้งตาประพฤติปฏิบัติเช่งพัดตามทำดีใน ลุกขิโลกหาภายในวัดของท่านกหน้าดูน่ากลาบน่าว่าเพราะท่าไม่ทําตามคำแนะนำํำคาสอนของท่านท่านก็ไล่หนีไม่ให้อยู่ในสถานที่ของท่านเตษนั้นหมู่คนะจึงเป็นของสําคัญควรพวกเราทุกท่านจะเลือกเชิญจัดสรรปั่นหาคนดีเป็นครูเป็นอาจารย์ของเราอย่าไปกลัวท่านดุท่านด่าท่านว่าท่านก่าว ธรรมดาเหล็กถ้าหากเราไม่เผาไฟหรือไม่ลงเทเนินเชือกก่อนจะไปหล่อไปหลอมอะไรหรือจะไปทําเป็นนี่เป็นถ้าไม่ได้เหล็กจะกล้าได้ก็ต้องผ่านเตาไฟเชือก่อนฉันใดพวกเราทั้งหลายที่จะมีความกล้าหาญต่อต้างกับเรื่องที่เหล็กตัญหา ก็ต้องต่อสู้หรือผ่าพเพียนพยายามอุตสาห์บังคับกายบังคับใจอยู่กับครูบาอาจารย์ที่ท่านดูด่าวา่าตปลาเป็นปกติถ้าหาท่านนีเมตตาสงสารท่านจะดู ด, าาด่าว่าเปล่าเลื่อยไปถ้าหาท่านปล่อยทิ้งบ้างทิ้งถือว่าเป็นคนอื่นท่านก็ไม่บอกไม่สอนไม่ดูไม่ด่ดายิ่งท่านรักเท่าไรท่านก็ยิ่งดุ เราใหญ่เท่านั้นเพราะเราไปทำชั่วเสียหายทันตัวเราจะเป็นคนชั่วเสียหายหรือตัวเราจะทุกข์ยากลําบากเช่นบิดามารดาของเราถ้าหากพูดอะไรสอนลูกลูกไม่ทําตามหรือลูกฝา่าฝืนดีดามารดาจะมีการดา่าการเตียนกันตีเป็นธรรมดาแต่ลูกคนอื่นเขาทําอย่างนั้น ท่านไม่ว่าวางเฉยได้นี่คือลูกคนอื่นถ้าลูกเกิดจากงอโขกของตนท่านจะต้องรักษาพยายามแนะนําถ้ำสอนในทางดีเสมอไปเราไม่ทําตามมีการบ่ากล่าวหรือเปลี่ยนตีแต่ท่านเปลี่ยนตีพวกเราไม่ใช่ว่าท่านอยากจะให้พวกเราผิดหาัท่านอยากจะให้เราเป็นคนหยิดคนดีมีอาหารการกิน ซึ่งมีรสชาติ อ, อร่อยอร่อยมีดามาันดาจะต้องแจกให้บุตรของตนรับประทานถึงท่านอดอยากท่านก็อดเอาท่านไม่ยอมอยู่ยอมกินอาหารประเภทนั้นอยากจะให้ลูกของตนได้รับปทานอาหารที่อร่อยอร่อยหรือเงินคลองเข่าของทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านหามา อุตสาพยายามขวัขวายตั้งแต่เล็กจึงจะทั่งถึงเป็นข่อของคนแม่ของคนท่านจะมอบสมบัติส่วนนั้นให้ลูกของท่านนิช่จะไปมอบให้คนอื่นฉันใดครูบาอาจารย์ที่ท่านดูด่าว่ากล่าวพวกเราทั้งหลายพอทํานองเดียวกันท่านมีความเมตตาสงสารท่านเชื่าเป็นผิทของท่านท่านจึงดูด่าว่ากล่าวเราจะไปกลัวท่านดูด่าว่ากล่าวอย่างนั้น เราก็ไม่มีวิชาความรู้จะเป็นคนดีคนดีไปอีกไม่ได้เหมือนกันกับเลกที่ไม่ผ่านเตาไฟไม่มีวันกล้าไม่มีวันดีเป็นมิจฉาเป็นขวานไปในดักต้องผ่านเที่ยก่อนเขาลงท่านเนินก่อนลงเพื่อจะให้เลกนั้นนั้นทำเลดเป็นผลเป็นประโยชน์นี่ใส่เขาตีให้มันเสียมันหายมีครูบาอาจารย์แนะนำพ่ําสอนพวกเราทั้งหลายก็ทํานองเดียวกันเหตุนั้นการที่ท่านดูด่าว่าหรเปล่า ถ้าหาเรามาลึลกได้ท่านมีความเมตตาสงสารท่านยังรักเรายังเมตตาเราท่านจึงบอกจึงสอนจึงดุจึงดา่าถ้าหาเราละลึลกได้อย่างนี้ก็มีความยินดีปลื้มใจในการรับโอวทาททำสั่งสอนของท่านถ้าหาเราคิดว่าท่านดุท่านด่ท า, ดาท่านโกรธท่านไม่ชอบเราเดยกลับไปสิถิมินพาที่จะอยู่กับท่านไม่ได้ เมื่ออยู่กับท่านไม่ได้คุณงามความดีท่านก็ไม่ได้แนะให้ไม่ได้สอนให้ก็เลยเป็นคนเกเกรเกรเจกะเสียหายไปเกตุนั้นเรื่องการอยู่กับครูบาอาจารย์หรืออยู่กับท่านผู้ดีผู้ดีเราจะต้องตั้งหน้าต่งตางๆประพฤติปฏิบัติตามโอวาทของท่านอย่างนั้นไม่อย่างนั้นเราจะดิบจะดีไปโดยลําทางตัวของเราเองเป็นไปไม่ได้ไม่ว่าฝ่ายโลกหรือฝ่ายธรรม จะต้องอาศัยบุคคลผู้อื่นแนะนําำทำสอนแนะคือการบอกนําคือการกระทําสอนทั้งสิ่งที่ผิดสอนทั้งสิ่งที่ถูกสิ่งที่ผิดท่านห้ามสิ่งที่ถูกท่านสอนให้จะทํามุมเห็นตามผู้ใดเป็นภาชนะสําคัญสําหรับรับโอวาทของท่านอย่างนั้นจะเป็นคน ไม่จนสติไม่จนปัญญาไม่จนวิชาความรู้จะเป็นคนดีคนดีสื่อต่ออายุของพระพุทธศาสนาจะเป็นครูบาอาจารย์ที่น่ากราบหน้าว่าหน้าสัจระบูชาเหตุ น, นั้นเราเข้ามาบวชอยู่ในพระพุทธศาสนาอย่าเป็นแบบที่ว่าตาฝากธรรมดาตาฝากถ้าหากไปจับต้นไม้ต้นใดก็ อ, อาศัยต้นไม้ต้นนั้นแหละ ยึดต้นไม้ต้นนั้นเป็นอาหารกินกันไปอยู่อย่างนั้นผลที่สุดเมื่อต้นไม้ตาย้าฝ า, ากกวัวตองตายไปเดือดสัตไม่เป็นผลเป็นประโยชน์อะไรเหมือนต้นโพตอนใสาหารต้นของเขาตายไปเรายังตั้งโดยอยู่ได้ยังมีมีการศึกษาธรรมะธรรมสั่งสอนจากครูบาอาจารย์เราจะศึกษาได้ก่อในสมัยเราเป็นผูกเล็กผู้น้อยอยู่ ตอเมื่อเราเป็นผู้ใหญ่ผู้โตขึ้นมาครูบาอาจารย์จะแนะนำํำพัมสอนอะไรก็เพลงใจตัวลูกศิษลูกหาผู้เล็กเด็กแดงก็จะดูถูกมีทางเหตุนั้นในระยะที่เรายังมีพรรษา น, น้อยอยู่เรายังเป็นผู้เล็กเด็กแดงอยู่เราจะต้องอุตสาห์เขา้าหาครูหาอาจารย์ที่ท่านมีชื่อเสียงเรียงนามในการปฏิบัติอย่าไปกลัวท่านดุท่านด่า อุตสาห์พยายามต่างหน้าต่างตาประพฤติปฏิบัติตามโอวาทของฉันเพราะการเจนผู้น้อยอยู่ในลมเงาของฉันได้รับความสะดวกสบายทุกสิ่งทุกอย่างการที่จะอบรมแนะสอนหมู่คณะรับผิดชอบเรื่องของวัดของวาของหมู่ของคณะก็ไม่มียาดโยมมาจากทิ่ต่งางๆก็เป็นหน้าที่ของครูบาอาจารย์พวกเราที่เป็นผู้เล็กเด็กน้อยก็คอยแต่ถือร อคอยรับใช้ทัานเท่านั้นไม่มีการที่จะนึกคิดปรุงแต่งไปเรื่องอื่นเหตุ น, นั้นการต่อเพื่อปฏิบัติของเราจึงเต็มทำได้เต็มที่เต็นฐานไม่เหมือนการเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ถ้าหากเราไม่ได้กำลังจิตกำลังใจในเมื่อเราเป็นผู้เล็กเด็กแดงอยู่ในอ้อมแขนของครูบาอาจารย์เลยเติบโตขึ้นมาธุระหน้าที่ทุกสิ่งทุกส่วนทุกสิ่ ง, ท, งทุกอย่าง มากขึ้นลำบากขึ้นเราในสมัยเรายังเป็นลูกศิษย์ของท่านอยู่ยังเป็นลูกวัดอยู่ไม่ตั้งหน้าตัางา้งตาเน้นพยายามรักษาเน้จะทําคุณงามความดีเมื่อเติบโตขึ้นมาหน้าที่การ ง, งานหรือเรื่องต่างๆมากขึ้นแต่ถ้าหากขูดฉลาดพอศึกษาจากตำลับตําราหรือสูบาอาจารย์ได้เต็มที่เต็มฐานแล้ว แต่จิตใจของเรายังไม่เป็นไม่ไปกพราอุตส่าห์พยายามปรีกจากมูอจากคณนะไปหาภาวนาในสถานที่สงบสงียในที่คนไม่ทุกขท่านในสถานที่คนไม่เกี่ยวข้องกับเราส่วนอาหารการกินหรืออะไรทั่วไปเราไม่ถือเป็นสำคัญกว่าการปฏิบัติทางใจผู้ที่สร้างหน้าต่้างตา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 เยเลเจกะหาเรื่องอันอืน่นซึ่งเป็นของยุ่งใจมากกว่าการจกชำระสาัาังเหตุนั้นจิตใจของพวกเราเราท่านทั้งหลายจึงเป็นไปเพื่อความเศร้าหมองเป็นไปเพื่อความขุ่นมัวเดือดร้อนเพราะเรื่องการปฏิบัติของพวกเรากับการปฏิบัติของคาริยเจ้าตั้งแต่สมัยพุทธกาลผิดกันเหตุนั้นเรื่อง พระจ้าพระสงค์ยงเป็นของสำคัญที่พวกเราท่านจะต้องสแสวงหาครูอาจารย์ที่สาคัญ่ใช่ว่าเป็นพระก็จะเสมอการไปหมดพระขวัตต่างพระสมณะขวัตต่างสมณะเหตุนั้นผู้ที่มีสติปัญญาไม่ว่าจะอยู่ทางโลกหรืออยู่ทางธรรมผู้นั้นจะไม่ขาดทุนสุกําไรคนที่ไม่มีสติปัญญาไปสถานที่ใดก็จะต้องขาดทุนสุกําไรเรื่อยไป ตาของเรามีให้ดูหูของเรามีให้ฟังจิตของเรามีให้คิดทีนี้ทีเจรอย่าไปถือเอาว่าจะดีเหมือนกันไปหมดธรรมดาการย์เลือกเป็นค ร, รูอาจารย์เป็นหน้าที่ของพวกเราที่จะเลือกเอาองค์ไหนที่จะเป็นครูบาอาจารย์ของเราได้ในการต่างหน้าต่างตาให้ธรรมะคําสอน เราต้องเลือกเอาคนทั่วไปไม่ว่าทางโลกหรือทางธรรมหากคิดได้อย่างนั้นก็จะไม่ขาดคุณสูงกำไรเกิดมาเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนาก็จะตั้งหน้าตั้งตาประพฤติมีปฏิบัติชอบเป็นไปเพื่อความสุขกายสบายใจคิดถึงากางแต่ทำบาเพ็ญของตนเมื่อไรก็จะมีความเยือกเย็นเป็นสุขเมื่อนั้นเพราะเราได้ปฏิบัติ ตาคำแนะนําข้ามสอนและพบค่าสมาคมากับครูกับอาจารย์ที่ดีถ้าหากเราไม่เลือกอย่างนั้นไม่เป็นท่าเสียเวลาที่เราเกิดขึ้นมาเป็นมนุษย์ เ, ยเยสียพบเสียศาสตร์เขาอยู่ในโลกเขายังเลือกคัดจัดหาจะปลูกบ้านเขาก็หาสถานที่เหมือนกันจะท่าสายเขาก็หาสถานที่เหมาะสมจะแต่งงานเขาก็เลือก เอาคนที่ควรแต่ไม่ใช่ว่าเป็นผู้หญิงก็เอากันไปหมดเป็นผู้ชายก็เอากันไปหมดต้องเลือกคัดจัดสรรหาแต่ถึงกันนั้นก็ยังขาดท่าไปบางท่านบางคนเหตุนั้นเราการหาครูบาอาจารย์จึงเป็นของสำคัญที่พวกเราท่านเป็นนักศึกษาเป็นนักต่อเพื่อปฏิบัติ จะหาครูบาอาจารย์ที่สําคัญมาเป็นครูบาอาจารย์ของเราและหาสถานที่เหมาะสมในการประพฤติปฏิบัติไม่ใช่ว่าวัดก็จะอยู่กันไปเป็นอย่างไรไม่คานึงคำนวณถึงถ้าอย่างนั้นขาดคุนสูญกำไรวันนี้หมดไปจะหาขึ้นมาใหม่ในเดักหมดไปหมดไปวันหมดไปปีเดือนหมดไปปีหมดไปอายุของเราใกล้ต่อความตายเข้าไปทุกปีทุกสีถ้าหาเรา ไม่ตั้งหน้าประพฤติคุณงามความดีคำนึงคานวณถึงที่เราผ่าน ม, มาไม่มีสาระประโยชน์อะไรเรากดจับเสียใจให้ตัวของตัวเองเหตุนั้นถ้าหากเราท่านตั้งหน้าตั้งตาประพฤติปฏิบัติคุณงามความดีจริงจังถึงจิตของเรายังไม่อย่างถึงดีมุติทีาทาส่สุดของพระธรรมยิ่งนายตอตามคิดถึงคุณงามความดีวันนี้เราได้กราบได้ไหวเดือดสาทยายตรวจมลใหวพระได้เดินจงกรมภาวานาจิตใจของเรา วันนี้สว่างสวายอย่างนั้นลงรวมอย่างนั้นสติปัญญาหรือวิชาความรู้ได้เกิดขึ้นอย่างนั้นอย่างนั้นเราระลึกนึกถึงเทียงแค่นั้นก็ยังมีความเยือกเย็นภายในจิตในใจของตนนับวันที่จะเป็นสมณะคือความสงบระ ง, งับเข้าไปทุกทีทุกทีจนเป็นมหาสมณะคือสงบทุกการทุกเวลาสงบทั้งการไ ป, ไปการมาการพูดการคิดไม่มีอะไรที่จะไป ทำลายสมณนะคือความบริสุทธิ์ผุดผ่องของจิตได้ส่วนกิริยามารา ย, ยาททางกายทางใจที่สั่ชา้าตามสมมติก็เป็นเรื่องอันหนึ่งจะจับจิตจับถูกไม่ได้ถ้าหากท่านไปถึงจุดหมายปลายทางเป็นอย่างนั้นกิริยามารา ย, ยาทซึ่งสาวกทั่วไปท่านกล่าวว่าละนิสัยไม่ได้ละวาสนานิสัยไม่ได้ไม่เหมือนพระพุทธเจ้า กิริยาที่เคยเป็นมาอย่างไรซึ่งไม่ไมผิดในพระธรรมวินัยท่านบริสุทธิ์แล้วท่านก่อเสียองประพฤติปฏิบัติอยู่อย่างนั้นการปูดจารสาสัยด้วยกิริยามารยาทผ่าดทางไม่สวยสดงดงามเหมือนพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าพรรละนิสัยและวาสนาไดา้ส่วนสาวกทั่วไปไม่เป็นอย่างนั้นบริสุทธิ์แต่ความบริสุทธิ์เสมอกันกับพระพุทธเจ้าส่วนกิริยามารยาทหรือเนิสยัยวาสนา คิกันเป็นไปตามเรื่องของท่านที่เคยสะสมเอามาแต่พวกเก่าศาสตร์ก่อนเหตุนั้นท่านจึงว่าเรื่องของบุญ เ, เรื่องของวาสนาะนิสัยสาวกละไมได้ส่วนกิเลสตัญหาละได้เรื่องนิสัยละไมได้เคยพูดอย่างไรผมพูดไปอย่างนั้นแหละแต่ที่ท่านพูดไปหรือทำไปไม่เป็นการที่จิตจากธรรมนี่ไงแต่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 ให้แก่บุคคลได้ทั่วไปเหตุนั้นท่านจึงโปรดสัตวโลกได้มากส่วนครูบาอาจารย์หรือสาวกไม่เป็นอย่างนั้นบางท่านบางองค์ก็มีกิริยาเจกะได้ต่างๆนานาแต่ไปสอบสืบถึงความบริสุทธิ์ของท่านศึกษาทางจิตทางด้านปฏิบัติท่านจะแนะนำคำสอนให้เรากิริยาของท่านซึงไม่เป็นของสาคัญเหมือนเรื่องความบริสุทธิ์ของท่านถ้าหากเรา ไปมองเห็นเขาอ่ะทิทยาอย่างนี้ไม่น่าเชื่อไม่น่าเรื่มใสเราไม่เข้าไปศึกษาไม่หาความรู้จักท่านคามไม่รู้จักว่าท่านมีรสชาติเป็นอย่างไรเหมือนกับผลไม้เป็นบางอย่างอย่างุ้รียนอย่างนี้เนี่ยทางนอกมันเป็นหนามไม่น่าดูแต่ทางในมันรสโอเด้โอชาจิตจันทกระูกม่เดือซึ่งท้ายนอก แดงสุกใสงามตาเรามองเห็นก็เข้าใจว่าจะมีรส อ, อร่อยอร่อยหวานแต่ไปดื่มไปจิ้มเขา้ารสชาติไม่เป็นข้คิดกันอย่างนั้นนี่จริยามารยาทของพระที่ศุกษา ม, มาเนร์ที่เป็นสาวกของพระพุทธเจ้าก็เหมือนกันบางท่านบางอ ง, องค์จริยามายาทเรียบร้อยน่าดูน่าชมแต่ไปศึกษาธรรมะด้านภายในท่านไม่เข้าใจ ถ้าไม่รู้ไม่สลับแต่จินยามารยาทของบางชั้นบางองค์ไม่น่าดูน่าชมแต่เมื่อเราไปศึกษาธรรมะด้านภายในคือด้านจิตด้านใจที่เราประพฤติปฏิบัติเราจะเอาประหลอดของเราคือาาการประพฤติปฏิบัตินี่แหละไปวัดดูเรื่องจิตใจของท่านได้ว่าท่านเป็นหน้าเรื่มใสน่า ย, ยินดีขนาดไหนจินยามารยาทจริงไม่เป็นของสําคัญเหมือนกันกับผลละาม ถ่ารถภายในดีมีราคาภ่ายนอกไปฟ้องไข่เป็นปัญหาจัดเท่าไหร่ดอกไม้ก็เหมือนกันถ้ากลิ่นมันหอมถึงดอกมันจะไม่สวยสีมันจะไม่สวยก่อต่างคนก่อย่อมนํามาปลูกเพราะอาศัยกลิ่นของมันถ้าดอกมันสวยกลิ่นมันเหน็นคนก็ไม่ยอมยอมไม่ชอะเอามาปลูกเพราะเสียดกลิ่นของมันเียด <Yeah. S 1> น, นั้น เรื่องการประพฤตปฏิบัติภายในจิตในใจจึงเป็นของสำคัญที่พวกเราทุกท่านจะอุตสาห์พยายามําจัดชั่วบำเพ็ญดีให้เกิดให้มีสิ้เนเชิงที่เต็มฐานถึงคฟเขาจะไม่สนใจในเราต่อตามความดีในเราจะบอกตัวของเราพอใจในตัวของตัวเองจะไปสถ า, านที่ใดหรือตายเมื่อไรจากอัตราร่างกายไปจะไม่มีการเสียใจถึงจะทุกข์ยากลาบาก เรื่องภายนอกแต่ภายในของเราสมบูรณ์พูนสุขเรามีความเอิอ้ออินในความเป็นอยู่ของเราในการประพฤติปฏิบัติของเราในจิตในใจของเราที่พ้นไปจากวัฏฏะสงสารเทนั้นการที่จะจะทําบําเพ็ญได้ก็โอกาสเวลาที่เรายังมีชีวิตอยู่ไม่ใช่ว่าพบหน้าชาติหน้าถึงค่อยจะประพฤติปฏิบัติก็เราคนเก่านี่แหละจะไปพบหน้าชาติหน้าเราไม่มีสติปัญญาไม่มีวิชาความรู้ ไม่อุตส่าห์พยายามในชาตินี้ชาติหน้าใทยเราจะไปช่วยเหลือเราตองเราช่วยตัวพองเราเองอใจหิ อ, อัตโนโนาทโถทตนเองเป็นสที่สิ้นทองตนไม่ใส่คนอื่นคนอื่นเป็นอุปกรณ์เท่านั้นครูบาอาจารย์ก็เป็นอุปกรณ์สําคัญที่จะเน้นสอนให้เราประพฤติปฏิบัติถ้าเราไม่ประพฤติปฏิบัติแล้วครูบาอาจารย์จะดีเด่นขนาดไหนก็าตามก็เป็นไปไม่ได้จึงว่าการประพฤติปฏิบัติ ตนของตนเป็นของสําคัญเป็นที่พึ่งได้สําคัญจะพึ่งคนอื่นก็พึ่งได้เป็นการเ ป, าเป็นบางการบางสมัยส่วนพึ่งตัวของตัวจะพึ่งอยู่ทุกวันทุกเวลาอุตส่าห์พยายามแต่ทำจริงจริงจังจัง จ, จนตัวของตัวเป็นที่พึ่งของตัวได้คนนั้นแหละจะมีความสุขความสบายจะอยู่ในสถานที่ใดก็เป็นสง่าราศีมีความเอิบออิ่มยินดีในตัวของตัว เหตุนั้นการตสะพฤติปฏิบัติทำคําสั่งสอนของพระพุทธเจา้าที่จะให้เป็นสมณะที่จะเห็นสมณะนั่นจะทัศนงังซึ่งเห็นสมณะภายในคือใจของเราสงบระ ง, งับดับที่เดืดได้ทุกการทุกสมัยก็อาศัยการตสะพฤติปฏิบัติของพวกเราทั้งหลายไม่ใช่ว่าครูบาอาจารย์หรือท่านองค์อื่นคนอื่นจะมาทําให้เกิดขึ้นภายในใจของตน เราทําได้เห็นสมณภนะายในคือใจของเราสงบระ ง, งับดับที่เลียดได้ทุกการทุกสมัยเราจะเป็นผู้ดีวิเศษเป็นมงคลอันไปเสิดสูงสุดแก่ตนของตนเศษนั้นขอให้ทุกท่านทุกคนจงนําเอาสมณภนะายในคือคจิตใจสงบสงัดไปประพฤติปฏิบัติให้ไปบพบสมณะนะอย่างนั้นทุก ตามทุกเวลาหากพวกเราท่านทั้งหลายอุตสาห์พยายามจะทำตามโอวาทของพระพุทธเจ้ามีความเชื่อความเดื่อมใดมีความเพียรทางกายทางใจสมณะส่วนนั้นก็จะไม่เหลือวใสัยเพราะพวกเราท่านทั้งหลายเหตนั้นการอธิบายธรรมะวันนี้ถ้าหากจะอธิบายไปมากก็เห็นว่าผู้ฟังจะมีการเหน็ดเหนื่อยในอวาสาน ตารอธิบายธรรมนี้ขอคุณพระศรีรัตนาตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในชาติคนและโลกจงมาคุ้มครองก้องปกพวบขันทั้งหลายให้มีความสุขกายสบายใจปราศถนาสิ่งใดขอสิ่งนั้นจงสำเร็จตามความมุ่งมา่ปราศจากหนาทุกสิ่งทุกประการดังรับประทานนี้แต่เปนา ม, มาพอเห็นบ่าต้งควเรเจรเวลามีเวัง